เานาทุกศสนาสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าตรัสเขาไว้นะเมื่อจะพูดกับกลาวในเรื่องของคุณของเวทนานโทษของเวทนาเป็นต้นทีนี้ใ น, ในการเจริยสติปัฏฐานในการกำหนดรอบรู้เวทนาเนี่ยประเด็นหลักอยู่ตรงไหนประเด็นหลักก็คือการรู้จักคําว่าสติเนาะธรรมชาติที่ชื่อว่าสติเพราะเหตุว่าระลึกเนี่ยละลึกเองหรือเป็นเพียงการระลึกเนี่ยสตินี่เป็นอินทรีย์ด้วยนะ ก็เพราะว่าอาจจะว่าเป็นอธิบดีครอบงาความเป็นผู้หลงลืมสติลักษณะของสติเนี่ยเขาจะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ครอบงาความหลงลืมเป็นต้นได้เพราะเขาเป็นใหญ่เป็นทั้งอินทรีย์เป็นทั้งอาทิบดีด้วยทาว่าเป็นอินทรีย์ก็คือครองความเป็นใหญ่ในลักษณะาการอุปการะท่านจึงเรียกว่าเป็นสตินีมีการระลึกโดยไม่ฟั่นเฟือนนี่ยถ้าว่าเจริญสติในเวทนาก็คือว่า เวทนาโนปสนาสติปฐานมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติคำจัดอภิชาและโทมมัฑในโลกเลยได้ใช่ทีนี้ในสติในขณะที่ระลึกเนี่ยที่บอกว่าระลึกในกุศลธรรมโดยชอบเขาก็ท่านกันเลยอุปมาลักษณะของสติเขาไว้บอกว่ายกตัวอย่างเช่นสติไปไข้ครวนไปพิจารณาเวทนาปัญญานั้นเป็นธรรมชาติที่เกิดร่วมกันกับสติอยู่แล้วใช่ไ ในขณะนั้นความเพียรก็ทำกิจในการประคับประคองเพื่อจะให้สตินั้นน่ะมีความ ล, ลึกอย่างต่อเนื่องเป็นต้นแต่ว่าเวลาเราจะศึกษาในเรื่องของเวทนาเนี่ยก็ต้องรอบรู้หรือทําความเข้าใจเกี่ยวในเรื่องของสติไปด้วยเพราะถ้าเราจ ะ, จะเจริญเลยเวทนานเนี่ยนะถ้าเราบอกว่าเวทนาสามอย่างสุขเวทนาทุกเวทนาแล้วก็ทุกกรมสุขเวทนา ทีนี้ภาษานั้นเป็นเป็นเหตุเกิดของเวทนาหรือว่ามีตัณหาเนี่ยตัณหานั้นเป็นสมุทัยเป็นหนทางเนี่ยเป็นหนทางที่ให้ถึงเป็นหนทางหรือเป็นห็นทางที่ให้ถึงเหตุของเวทนาเป็นต้นเหล่าเนี้ยอริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั้นเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับเวทนา คุณของเวทนาก็มีสุขโสมนัสอัสาธาทั้งหลายโทษของเวทนาก็เพราะเวทนานั้นมีที่ยังเป็นทุกข์และเป็นนัยนาตาอยู่ไหมการสลัดออกหรือนิสระของเวทนาทั้งหลายก็คือการพ้นความคิดที่จะพ้นเนี่ยนะความคิดที่จะพ้นจากเวทนาทั้งหลายสรุปแล้วก็คือว่าก็ต้องมาใส่สติในการที่จะมาคไขทวนหรือมาเจริญอยู่ดีใช่ไหมใช่เพราะว่าเวทนานี่เป็นธรรมที่ควรรอบรู้ควรกําหนดรู้ สตินําเป็นตัวเข้าไประลึกนะเข้าไประลึกไประลึกอะไรไประลึกที่เวทนาเป็นต้นเนี่ยทีนี้เวทนาเนี่ยเวทนานั้นเป็นเวทนาทั้งที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีใช่ไหมเวทนาทั้งที่เป็นปัจจุบันก็มีเวทนาภายในภายนอกหยาบละเอียดเร็วและปราณีตเป็นต้นจ้างอนจารย์กล่าวถึงในเรื่องของสติเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ระลึกในกุศลธรรมโดยชอบก็เลยบอกว่า ท่านจะยกในเหตุที่พระนาคเสียนถวายพระพรพระยาเมลินว่าพระมหาบอพิษขุนคลังของพระเจ้าจักรพรรดิน่ะย่อมให้พระเจ้าจักรพรรดิเลิกถึงอิสระสมบัติทั้งเวลาเย็นเวลาช้าเลยว่าเวลากลางวันใช่ไหมข้าแต่เทวช้างมีประมาณเท่านี้ม้ามีประมาณเท่านี้รถมีประมาณเท่านี้พลเดินเท้ามีประมาณเท่านี้เงินมีประมาณเท่านี้ทองมีประมาณเท่านี้สมบัติทั้งปวงมีประมาณเท่านี้ขอ ขอเดเทวาจงระลึกถึงอิสริยสมบัติของพระองค์ฉันนั้นเห็นไหมขุนคังทำของพระราชาเนี่ยทากิจในการที่จะคอยนับเงินนับทองนับทรพัพย์สมบัติของพระราชาลายงานขาพระราชาทุกเช้าเย็นเป็นต้นฉันใดขอถวายพระพรมหาบุพพิสติก็ฉันนั้นเหมือนกันรละลึกในกุศลธรรทมทั้งหลายอันต่างด้วยสติปัฏฐานสเหล่านี้ลายไป สมรัทาน4เหล่านี้กนไล่ไปนี่นะอิธิบาท4อินทร์สีพระราโพธิชงเจ็ดอริยมรรคิมืองแนี้สมถนะนั้นนี้วิปัสสนานี้อริยาาสัจนี่นวิชานี้วิมุตีิโลกุตรธรรมมหาภพสติย่อมระลึกเป็นลักษณะอย่างนี้แหละถ้าเราพิจารณานี้เองคิดดูว่าเอสติเราทำงานลงไหมเ อ, อเวทนาถ้าเราจะเลึกเวทนาใช่ไห สุขเวทนาเป็นอย่างนี้ทุกเวทนาเป็นอย่างนี้อทุกกรมาสุขเวทนาเป็นอย่างนี้ในเวทนาสามเ น, ะวเวนาะเวทนาสองก็คือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจเวทนาสามที่กล่าวเวทนาห้าสุขขินสีทุกขินสีสมณะสินสีรวมละสิบสี่เป็ินสีเนี่ยนะแล้วก็เวทนาหกใช่ไหมจากขุสมปสชาเวทนาเป็นต้นเนี่ยที่อาศัยเรือนยังไงหกอยา่าง สกเวชนาสายเรือนทุกเวนาสายเรือนแล้วก็เวขาเวนาสายเรือนใช่ไหมอย่างละหกหกหกสิบสองสกเวชนะสายเนคขมมะทุกขเวทนาสายเนคขมม ะ, าามะแล้วก็อาทุกรรมสขเวทนะเวขาเวนาสายเนคขมมะก็อย่างละหกหกหกสิบสองสิบสองรวมกันเป็นเท่าไหร่สามสิบหกสามสิบหกที่เป็นปุบัน ที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตรวมเบ็ดเสร็จสามสิบกสามครั้งเป็นไไนี่ไหมเนี่ยลักษณะที่เข้าไประลึกอย่างนี้ก็ เ, เรียกว่าสติเป็นธรรมชาติที่ระลึกได้เอาทาไมต้องระลึกอย่างนี้เพราะตัณหาร้อยแปดมันจะคอยตามอีกเวทนานร้อยแปดที่แลบถ้ารอบรู้เวทนาเสียมันก็กำตัญหาได้ละตัญหาได้โดยทางเข้าปหารในขณะอุปัสนา จเจริญสติสัมโพ ช, ชงอนาศัยวิเวกอนาศัยวิราคะอนาศัยนิโรทะน้องไปเพื่อโส้าจำได้ไหมเมื่อเข้าเรื่องนี้เราจะลำบากไหมเนี่ยลำบากไหมเนี่ยทีนี้ก็คืออย่างนี้ถ้าบอกว่า เพศศูนย์ในในศาสนานี้เจริญสติสัมโพชง อ, อาศัยวิเวกวิเวกอ น, นิสิตังเนี่ยนะเอาอาศัยวิราคะวิราคะนิสิตังอาศัยนิโรธะนิโรคะนิสิตังน้อมไปเพื่อความสละทิ้งเนี่ยวัวสระปรินาสมิงเจริญซึ่งทำมาวิเชียววิริยะปิติปสัสสติสมาธิเวคขาว่าไปนั้นค่อยๆว่าไปนะอันนี้ต้องการจะบอกไอ้เจริญสติสัมโพชงยังไงเจริญสติสัมโพชงเป็นต้น เช่นไปกําหนดเวทนานะในขณะเจริญวิปัสนาเนี่ยไปไข้ควรไปพิจารณาเวทนาทั้งสามการนี่นะเวทนาทั้งที่เป็นอดีตนาเพหรือเวทนาทั้งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเวทนาเป็นสังขารไหมจะโดนเป็นสังขารไหมสังขารใช่ไหมเป็นสังขารที่เวทนาที่มัเป็นสังขารได้ไงจงใจเนี่ยตัวสังขารละขันแล้ว ใช่ฉะนั้นสติที่เข้าไปลึกไปพิจารณาไปไข่ควรเพราะจริงๆสติเนี่ยเขไประลอกไปพิจารณาไปไข่ควรไปวิเป็นเดเสร็เนี่ยตัวสมบัตชัญนยะเขาไปทํากิจในการวิจัยอยู่แล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าในขณะที่สติสมัมโพชงในขณะแห่งวิปัสสนาอาศัยแต่ทางวิเวกโดยปหาญกิจแล้วก็อาศัยนิสสรณวิเวกโดยอัจฉริย คือมีใจน้อมไปในพระนิพพานก็หมายความว่าถ้าสติไประลึกในเวทนานะไประลึกในเวทนานะถ้าสติไประลึกเวในเวทนาเบ็ดเสร็จก็จะเห็นเวทนานั้นไม่เที่ยงเห็นเวทนานั้นเป็นทุกที่บอกไปเห็นเวทนาไม่เทียเะละลเเท่ยงเพราะระลึกอะไรเวทนาไม่เที่ยงเพราะภกษาเที่ยงไหม ตัณหาอวิชชากรรมในอดีตเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเชื่อมโยงอย่างนี้ไอตัวเหตุของเวทนาเนี่นไม่เที่ยงไอเวทนาจึงไม่เที่ยงไอเหตุของเวทนาคืออวิชชาตัณหากรรมเป็นต้นเนี่ยหรือผัสสะนี่เป็นทุกข์ที่จริงเขาเขาเห็นโดยโดยปัจจัยการเชื่อมโยงโดยการเห็นโดยปัจจัยนี่นะปัจจัยทั้งที่เป็นเหตุใกล้และเหตุไกลเนี่ย การเห็นว่าผัสสะไม่เที่ยงผัสสะเป็นทุกข์ผัสสะเป็นอนัตตาแม้เวทนาที่เกิดขึ้นจากผัสสะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานี่นะทีนี้จริงๆทั้งผัสสะทั้งเวทนามียวิชาตันหากรรมเนี่ยเป็นปัจจัยเนี่นะเป็นอุปนิเป็นนานักธิกาเนี่ยในด้านของอุปนิสัยเนี่ยแล้วก็จะเห็นโอ้โนี่โดยปัจจัยของเขาเป็นอย่างนี้เราจะทำเชื่อมโยงยังไงตั้นหามันยึดเวทนาไว้มันผลของเขา มันยึดภาษาเป็นผลของเขาใช่ไหมฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายมีการประชุมกันระหว่างตาระหว่างรูปารม์ระหว่างจากักรวิญญาณแล้วก็มีภาษาประชุมกันเนี่ยแล้วเวทนาก็เกิดเนี่ยตัณหามันยึดไว้หมดเสร็จแล้วมันเยึดไว้ด้วยความเป็นผลของเขาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ยใช่ไหมสุขหรือทุกข์เนี่ยเขาให้ไหยใช่กรรมให้ไหมเอาถามว่าทําไม ทำไมเราจึงมานั่งฟังธรรมเพราะกุศลกรรมกําลังให้ผลตอนเนี้ยถามว่ากุศลกรรมกําลังให้ผลหนึ่งได้มานั่งฟังธรรมทางจากรทางโสตถวานก็ดีเสียงพระธรรมาจากขุทวานก็เห็นพระเห็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมอันนี้บง่งบอกอะไรเนี่ยจากขุปัสสัดเกิดจากกุศลกรรม รูปารม์นั้นมาจากผลของบุญจากกุวิญญาณก็เป็นกุศลจากคุวิญญาณัสษาก็ประชุมใช่ไหมไอเวทนาก็เกิดถ้านในด้านของสาสตรชาตเนี่ยนะสัมะยุตตาเป็นต้นเนี่ยเป็นอุเบขาเวทนาแต่ไม่แน่นะชาวนาคุณอาจจะวิปลนะิตก็ได้ทุกเรื่องเกินฟังธรรมกันเ้ก็เ็น ไ, ไหมมันคือโทมนัสเกิดนะี่ย อะไรแล้วหยุดแป๊บเดียวไม่กแล้วต้องจะเกือบชั่วโมงนี่นะแปบ๊บเดียวสบธรรมเนี่ยสมมรมะเนี่ยบางคนก็เอ๊ะใดสุขเวทนาจากการฟังเรืเ่อยๆนั่นแหละอันนั้นคือเวทนาทีนี้เวทนาเนี่ยตัณหาเขายึดไว้ภาษาตัณหาเขาก็ยึดไว้จากผู้อิญยาณก็ดีเขาก็ยึดหมดเลยเบสเ็จเน่ยจากผูสัมผัสจากขู้อิญยาณจากผู้ภาษ า, า, าแล้วก็เวทนาภาษานเนี่ยนะ สิ่งต่างๆเหล่านี้ยตัณหาในอดีตเขาเย็ดไว้ในฐานะเป็นผลของเขาแล้วเขาผลิตใช่ไหมตัวกรรมคือกุศล<ม>หรืออกุศลต่างๆไปต้นแล้วแต่ฐานะนั้นน่ะนั่นแหละเพราะความไม่รู้ต่างๆเลยเขาก็ผลิตวิบากให้ตลอดแต่ไอจับไอตัวตัณหา ก, ก็ดีตัวกรรมก็ดีตัวโมหะเป็นต้นเหล่านี้ก็ดีนะเขาไม่ที่ยงเป็นทุเป็นแล้วตายแล้วเขาดับเกิดดับเมื่อเขาได้เหตุปัจจัยเขาก็ผลิตวิบากขึ้นมาโดูสิเนี่ย ไม่ได้เห็นปัจจัยก็ก็บริสุทธิ์บาปขึ้นมาแต่เพราะภาสาเนี้ยปัจจุบันภพใช่ไหมเชื่อมโยงกับตันหาวิชากรรมในอดีตเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาจึงเกิดทุกเวทนาจึงเกิดอุเบกขาเวทนาจึงเกิดในปัจจุบันนภพแล้วเวทนาเหล่านี้ก็ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับลงแล้วก็เกิดอยู่ตลอดเวลาไม่มีขนาดจิตไหนเลยที่เวทนายังไม่เกิดนี่ไง ฉะนั้นเวทนานี้จะเกี่ยวข้องกับกระแสะขันของสัตว์อยู่ตลอดเวลาเลยมีไหมขนาดจิตที่ไม่มีเวทนาไม่มีจิตดวงไหนเลยที่จะไม่มีเวทนาเกี่ยวข้องสัตว์จะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเดีนั้นเวทนานั้นไม่เที่ยงและเราเกี่ยวข้องกับเวทนาแล้วก็เวทนานี้เป็นมาอยู่ในสังสารวัตรแล้วทีนี้ท่านถึงบอกบอกว่าเราจะละปัญหา ละมานะละทิฏิคือความยินดีคือความเพลิดเพลินในเวทน า, าอย่างไรใช่ไหมบอกว่าถ้าเป็นสุขเวทน า, าในอดีตเราก็โหยหาใช่ไหมล้วก็อะไรอวรได้เลยที่มันดับไปแล้วแล้วในขณะเดียวกันเราก็กําลังเผ้อหาเวทน า, าที่จะมาในอนาคตว่าเ อ, อลงทุนครั้งเนี้ค่อยได้ตอนนั้นตอนนี้เรามัโหยหาสุขเวทนาเน่ย หรือว่าโอ้เดือนนี้ที่จะถึงเนี่ยขอเองเินเดือนมันขึ้นสักหน่อยเถอะมันจะได้หนี้สินนี่มันมีอยู่มันยะลดลดลงหน่อยแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะ น, นี่มันโวย ห, หาเวทนาใช่ไหมเนี่ยและในขณะเดียวกันรอบรู้เวทนาในปัจจุบันไหมไม่รู้เลยอะไม่รู้ทั้งเหตุของเวทนาไม่รู้จักเวทนาด้วยและรู้ความดับเวทนาไหมรู้จากปฏิปทาทถึงความดับเวทนาไหม รู้คุณของเวทนาไม่รู้โทษของเวทนาไหมรู้จากการจะสลับออกจากเวทนาเหล่านั้นหรือไม่เห็นไหมมันปิดหมดไหมนี่เป็นอย่างนี้การไม่มีสติในการพิจารณาเห็นเห็นเวทนาเป็นต้นดังนี้ได้กล่าวมันปิดหมดแล้วมันปิดในที่นี้แปลว่าเราขาดการใครควรขาดการพิจารณาจริงจริงอยู่ในรายละเอียดไม่ต้องตามไปดูแต่ว่าตรงเนี้ต้องการเชีย่ยเห็นไงว่านี่และการไม่รู้เวทนานี่มันเป็นโทษ ทีนี้ในครั้งที่หลายๆครั้งที่ผ่านมาก็เลยพูดเรื่องเวทนาใช่ไหมพูดเรื่องเวทนาปรากฏวิญญาณปรากฏเป็นต้นแล้วก็พิจารณารูปแล้วก็อย่างลงสู่ไตรลักษณ์เป็นต้นเลนะแล้วก็ว่าไปตามลําดับทีนี้ต่อไปก็คือไปพูดในเรื่องของวิธีการพิจารณาอีกในย่าหนึ่งนะในหน้าที่เก้านะถ้าใครจะดูนะถ้าใครมีหลักฐานมาไม่มีก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็คือไปพิจารณาถึงที่บอกว่า พิจารณาเวทนาอีกในหนึ่งอ่ะอีกในหนึ่งเพราะตรงนั้นเน่ยเคยบรรยายมาแล้วนะในบรรดาบทนั้นปริยานการรู้ชัดเวทนานะสุขขังเวทนงังเวทีมามีติปชานาติเพราะไม่มีทุกขเวทนาในขณะสุขเวทนาฉนั้นประโยชนคารวาจรเมื่อพิจารณาสุขเวทนาก็รู้ชัดว่ากําลังเสวยสุขเวทนาเป็นต้น เวทนาเชื่อว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความแปรบวนเป็นธรรมดาเพราะทุกเวทนาที่เคยดสวยมาก่อนในบัดนี้ก็ไม่มีแล้วเพราะสุขเวทนานี้ก่อนแต่นี้ก็ไม่มีเพราะเหตุนั้นประโยชน์าวจรจึงเป็นอนว่ารู้ชัดในสุขเวทนาและทุกขเวทนาอย่างนั้นสมจริงดังที่พระบรมศ า, าสดาตรัสไว้ในทีคณะสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญญาต่างนี้บอกดูก่อนอักิเวทนะ สมัยได้สวยสุขเวทนาสมัยนั้นหาว่าสวยทุกขเวทนาไม่หาว่าสวยอทุกขมสุกเวทนาไม่ย่อมสวยสุขเวทนาเท่านั้นดูก่อนอคิเวสนะสมัยได้สวยทุกเวทนาสมัยนั้นหาสวยสุขเวทนาไม่หาสวยทุกขมสุกเวทนาไม่ย่อมสวยแต่ทุกเวทนาเท่านั้นดูก่อนอคิเวสนะสมัยได้สวยทุกขมสุกเวทนาสมัยนั้นหาสวยสุขเวทนาไม่หาสวยทุกเวทนาไม่ย่อมสวยแต่ทุกขมสุกเวทนาเท่านั้นดูก่อน อาคีเวชนสุกเวทนะเลยไม่เที่ยง contradict. อยันปัจจัยปรุงแต่งตรงนี้เห็นไหมอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป <Well> ็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดานะ้อยไปตามดับสรุปแล้วก็สุกเวทนาเนี่ยไม่เที่ยงไม่เที่ยงอาศัยปัจจัยปรุงแต่งหนึ่งสุกเวทนาสายผัสสะปรุงแต่งสุกเวทนาสายตันหาปรุงแตง่งสุกเวทนาสายกรรมปรุงแตง่งสุกเวทนาสายเอวิชาปรุงแตง่งเห็นไ้ม และปัจจัยพูดไม่ใช่แค่นี้สขเวทนาสายดีปรุงแต่งได้ไหมอาศัยสเตลทปรุงแต่งได้ไหมอาศัยลมปรุงแต่งได้ไหมอาศัยดีเอยสเตลท์ลมรวมกันปรุงแต่งได้ไหมเห็นไหมได้ทําไมไม่ได้แล้วแล้วอาศัยอะไรปรุงแต่งอีกฮะอาศัยฤดูปรุงแต่งได้ไหมเอออาศัยฤดูปรุงแต่งก็ได้ฤดูร้อนดูหนาวดูฝนบางคนชอบดูร้อนเนี่ยใช่ไหม ไม่ได้ปัจจัยอย่างนี้ชื่นใจไง น, นะเห็นไหมปัจจัยของเวทนามีเยอะอาศัยจากการการถูกกระทาร้ายบุงมแต่งก็ได้สุขเวทนามีไหมเวลาเขาทำร้ายลรวดีใจมีไม่มีอ้าวมีไหมย้อสมามอ้าวเขาทำร้ายเนี่ยสุขเวทนาเกิดได้ไหมเคยเห็นไหมนะ นี่เราไม่เคยเกิดโดยมากเคยทั้งนั้นแหละไอ น, น, นะถ้าศัตรูโดนทุบโดนตียิ้มไหมดีใจไหมนี่เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับเราเอา้าคู่แข่งเอาคู่แข่งกันโอ้โหกำลังทำการค้าแข่งกันเลยแข่งไปแข่งมาก็ล้มโตมเลยเขาเขาวิบัติเลยไงตอนนั้นเน่เออจะสุกเวทนางไง ทุกขเวด น, นะนทรทัศน์ในทั่วไปเนี่ยใช่ไหมถ้าคนศึกษาก็ทำอย่างดีถ้านั่นแนะหละถึงจะรู้เยมากอะแอบยิ้มยิบอกโอ้โ oh, หถ้าสมมติมีหลายหลายแข่งกันยังไม่ยังขนาดหนักเลย น, ะนะ <laughs> ยนั่นอีกฝ่ายนิโงเห็นไหมโดนกระทำนี่เนยะแต่ว่าแต่เราโดนกระทำเป็นเรื่องนั้นก็ทุกขเวนนะ่ะครับ เห็นไหมว่าบริหารร่างกายไม่ดีเป็นต้นแล้วมันจะกรรมกรรมที่พูดถึงไงเห็นไหมที่กรรมเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายที่พูดเนี่ยฉะนั้นปัจจัยของสุขเวทนาเนี่ยไม่เที่ยงสักอย่างเลยที่ไล่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีก็ดีสเสลเอดก็ดีลมก็ดีเนี่ยไม่เที่ยงเลยเนี่ยทั้งสามอย่างรวมกันก็ไม่เที่ยงด่ดูร้อนดูดูหนาวดูดูฝนก็ไม่เที่ยงใช่ไหมใช่การบริหารร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ไม่เที่ยงเวทนาจะเที่ยงเดีที่ไหนโลกใช่ไหม เที่ยงที่ไหนแล้วการดูแลร่างกายเป็นต้นเหล่าเนี้ยกาไม่เที่ยงให้เวทนาก็ไม่เที่ยงเพราะเวทนาสายปัจจัยเหล่านี้เป็นไปอยู่เวทนาจะเที่ยงที่ไหนและปัจจัยเหล่านั้นก็เป็นทุกข์และเวทนาจะเป็นสุขได้อย่างไรและปัจจัยเหล่านั้นคนบคุมได้ไหมมันก็คนบคุมไม่ได้แล้วก็เวทนาเหล่านี้จึงเป็นหน้าตาอย่างนี้ก็ไม่ใช่จอดูกันแต่เวทนาเวทนาเวทนาแล้วไม่รู้เรื่องเลยปัจจัยคืออะไรนี่ยนะแล้วก็บอกโอ้โหอย่างนี้ใช่แล้วปฏิบัติ เวลาไปรู อ, อย่างนี้ได้ก็อุย๊ยคนนี้มันรลุกันหมดแล้วย่ยไม่ต้องมานั่เรียนกันอย่างนี้หรอกมานั่งนาังคำนี่จะไม่ใ ช, มใช่มันไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องรู้ปัจจัยของเขาไหมล่ะเอางี้เอาคนโง่ไปทําธุรกิจนี้รวยไหมรวยไหมไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะเห็นที่ตรงนี้หมอะถูกใจก็จะทําเนี่ยแล้วแล้วเจ๊งไหมเนี่ยเจ๊ง เอาคนโง่ไปปฏิบ the ัติดิบบรรลุไหยในพุทธศาสนามีศาสนาคนโง่ศาสนาคนมีปัญญาจริงไม่ยอมสมานั่นต้องมีปัญญาต้องวิจัยไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วไปปฏิบัติแล้วบรรลุท้างันก็ตูวไม่รู้หัดมาพูดนี่หนักไปหรือเไม่หนักเนอะเรื่องจริงเป็นอย่างงั้นจริงต้องมีข้อมูลต้องศึกษาต้องฟังพระธรรม ของพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่ไม่รู้อะไระบอกว่าแล้วบอกจะบรรลุ ธ, ธรรมอันเลิศก็ต้องด้วยธรรมะอันเลิศเนะี่ยจะบรรลุ ธ, ธรรมอันเลิศด้วยธรรมะที่เลีวได้ไหมที่ไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่ใช่โอ้โหไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยแต่ตอนท่าจะไปชมมาร์กซะแล้วเนี่ยแล้วยี่ยุ่งเลยแต่เนี้ยพอใจยังไม่ยอมเนาะนั่นแหล ะ, ะเป็นอย่างนั้นแหะ ไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยไปจากข้อมูลไม่มีอะไรเลยแตไ่ไปชมมากให้เกิดขึ้นยุ่ก็ก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นการศึกษาคำสอนเนี่ยบอกว่าปัจจัยของเวทนาไม่ใช่มีหนึ่งมีมากที่พระองค์ตรัสสูตรต่างๆมาเนี่ยพระองค์ต้องการเชื่อมโยงให้ดูว่าเวทนาไม่ใช่เกิดเฉพาะผัท่านั้น ใช่ไหเวทนาทุกขเวทนาทุกมาสขเวทนาเนี่ยมีปัจจัยมากแล้วปัจจัยเหล่านั้นไม่เที่ยงปัจจัยเหล่านั้นเป็นทุกข์ปัจจัยเหล่านั้นเป็นอนัตตาเวทนาจากเที่ยงจากสุขจากเป็นอัตตาแต่ที่ไหนสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่ไหมสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เทียเทเท่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเรานั่นของเราบอกไม่ควรพระเจ้าค่าไง ไมถ้าเราดูในสูตรนะมันไม่ควรจริงๆเพียงพอหรือยังที่จะเบื่อหนยเห็นไหมเพราะพิจารณาอย่างนี้ก็ต้องเพียงพอในการที่จะเบื่อหน่ายในการที่จะคลายกำหนัดในการที่จะปราถนานิพาพันกันได้แล้วทีนี้การตั้งปราถนาพันิพาพันเนี่ยลําดับแรกก็คือว่าอัจฉาิยะเขาตั้งโดยอัจฉริยะใสการตั้งปราถนาพันธิพาพันเนี่ยเขาตั้งโดยอัจฉริยะเนี่ ก็หมายความว่าเมื่อเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของเวทนาและปัจจัยของเวทนาอย่างนี้แล้วเขาก็น้องไปเพื่อจะสลัดทิ้งสลัดอะไรอ่สลัดเวทนาทิ้งเพราสลัดเวทนาทิ้งขันเราอื่นชื่อว่าสลัดทิ้งไปด้วยก็จะอย่างไม่ปรารถนาเวทนาในไม่ไม่รับห้ยหาไม่อะไรเอาวอนเวทนาที่เป็นอดีตอีูแล้ว แล้วก็ไม่โหยหาเวทนาในอนาคธ์แล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อนายคลายกำหนับเวทนาที่เป็นปัจจุบันก็ยังเป็นย่งนั้นรเราเห็นเราเห็นโทษของเวทนาในอดีตไหยเห็นโทษของเวทนาในปัจจุบันไหมเห็นโทษเวทนาที่จะมาในอนาคต์ไหมโยมสมัยถามว่าเวทนาที่จะมาในอนาคตเนี่ยเราดับได้สักเวทนาแล้วถามว่าในอดีตเนี่ยทํากรรมมาเยอะไหม กรรมที่จะสร้างขันทำมาเยอะไหมแล้วเวทนาเท่าไหร่ที่ไปกองรออยู่เนี่ยเป็นโรงงานมืหึมาเลยนะเวทนาที่มันจะผลิตวิบากให้เนี่ยถามว่าเวทนาในอบายภูมิในอเวเจียเคยทำหรือยังที่ยังไม่ให้ผลก็มีนะเวทนาที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เยอะเวทนาที่ไปเกิดเป็นเปรตก็ยังเหลืออีกเยอะเวทนาที่ไปเกิดเป็นอสุรกายก็เหลือเยอะ เวทนาที่ไปเกิดเป็นคนบ้าใบบอดหนวกตามปัจจันตประเทศก็เยอะเวทนาที่เป็นไอเหตุุกะก็เยอะเวทนาที่เป็นทวีเหตุุกะก็เยอะเวทนาที่เป็นตีเหตุุกะก็เยอะเวทนาที่บ้าใบบอดหนวกก็เยอะเอาสิเวทนาเหล่านี้เราทํามันมาเพียงหมดแล้วโหยหาให้เวทนาอย่างนั้นต้องการจะร้องหาเวทนาเหล่านั้นในนาคตนไหมล่ะเวทนาเหล่านี้พร้อมให้ ผลิตให้เพราะตัณหาบวกกรรมมันทํากันมาจบหมดแล้วและในปัจจุบันนี้ก็กําลังทําใหม่กันอยู่เนี่ยไม่เบื่อเวทนาเนี่ยเป็นแบบนี้เยอะนะมาแล้วจะไปใช้หมดไหมเนี่ยใช้หมดไหมชนกกรรมทําไว้เท่าไหร่ใช่ไหมกรรมที่ทําแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ได้มีโอกาสเนี่ยให้ผลเนี่ยเขารอจังหวะอยู่นะ เอาที่ปโยคะคุนวิบัตเมื่อไรเขาจะทำอุปค่ากรรมให้ถ้าคุณรักษาตัวดีไม่ปรปโยคะวิบัตนี่นะถึงเวลาตายเมื่อไรเดี๋ยวก็จะมอบขันที่เหลือในหะ้สลอนเลยตอนนั้นตอนใกล้าตายเนี่ยมาหลายขันจะเอาสองขาสี่ขาไม่มีขามีหมดแหละมันจะไหลามาให้เขาใจว่าเนี่ยเวทานา นี่โทษของการละฉันทลาคะในวีธนาไม่ได้มันเป็นอย่างนี้กลัวไหมละ่ะนี่ไงพวกปรารถนาพบมันเยอะหมดเลยพยอญาบอกว่าไอ้ไหมรัทธิชดใช้กรรมเนี่ยใช้อย่างไงก็ไม่หมดนี่ไม่หมดได้ยังไง ร, รับนิ้วมือเนี่ยแสงโกรธเจตนากรรมเกิดหมด อันนี้แบบไม่คบที่ครบกรรมมาบทก็เยอะที่ไม่ครบกรรมมาบวก็เยอะที่ไม่ครบกรรมาบทก็ส่งผลในประวัติการไปที่ครบกรรมาบทก็ให้ผลในปฏิสนธิการไปอย่างนี้เป็นต้นขนาดฝันเนี่ยฝันดีฝันไม่ดีมันยังส่งผลในประวัติการได้ไม่ต้องพูดถึงขนาดที่ตื่นตื่นทากรรมกันตั้งแต่แล้วขนาดไหนบ้างในที่ท่านทั้งหลายไม่ทำกรรมกันเนี่ยมีไหมไม่มีเลยใช่ไหม นั่นแหละคือกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวทนาที่จะต้องได้เวทนาทีนี้กรรมในอดีต เ, ออเวทนากรรมในอดีตที่ผ่านมาผลของกรรมในอดีตมันมีสองส่วนนะกิเลสในอดีตกับกรรมในอดีตถามว่ากิเลสในอดีตที่เป็นไปในส่วนของสังขารสองส่วนเนี่ยนะกิเลสในอดีตนั้นน่ะเรายังไม่เคยละเลย ยังไม่เคยสักกิเลสเทั้งที่มันดับไปแล้วปัจจุบัอยู่เนะแต่กิเลสเหล่านั้นมันสักแต่ว่าเกิดแล้วดับแต่มันยังฝังแน่นเป็นอธัธยาศัยอยู่นะแล้วจะทํำยังไงเนี่ยกรรมในอดีตที่ยังไม่ให้วิบากยังเหลืออีกเยอะแล้วก็ยังรับไม่ได้ด้วยอสองส่วนคุณจะทำยังไงเนี่ยคุณจะทำกันยังไงเราทํามาอย่างยาวนานเราเกิดมากกว่ า, ายี่สิบประสงค์ไขมากกว่าสีา่สิบประสงค์ไข มากกว่าแปดสิสมไขนั้นกรรมเหล่านั้นที่ทำมาแล้วทั้งหมดนี่คือโทษจริงไหมแล้วถ้ายิ่งพบชาติมันทับถมมากขึ้นกระแสขันที่กำลังหมุนไปในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนไม่มีขนาดไหนเลยที่ไม่ทำกรรมบางครั้งก็ทากรรมชั่วบางครั้งก็ทํากรรมดีโดยมากหนักไปทางกรรมไม่ค่อยดีมาก เพราะสัตว์โลกนั้นเป็นผู้มืดบอดมีโมหะนั้นเป็นราชาที่บดีปกครองกระแสขันมีมิจฉาทิฏฐิเป็นธรรมวิชัยอยู่แล้วโดยมากแล้วก็ทํากรรมที่มันผิดสรุปก็คือว่าทํากรรมที่จะอยู่ในวัตฏจักรนั้นไม่เคยคิดจะเงยศีรษะออกจากวัตจัเลยใช่ไหมเพราะสัตว์โลกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ติดอยู่กันในวัฏจัไม่วันหนึ่งเคยคิดจะออกจากวัฏตจตักกี่ครั้ง เคยออกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะต้องออกจากมันไดน้เคยเห็นว่าเป็นคุกไหมนะยอดนิมานจะเห็นไหมนะว่านี่คือคุกนี่เราติดคุกถ้าเรายินดีกับตาหูจมูกลิ้นใจกายใจแล้วก็ยินดีในคุกยินดีในวัดตะเคยคิดถึงขนาดนี้ไหมนะเราทําไมไม่ร้อนทําไมไม่ทุกข์ต้องไปถามนักโทษนี่มีสักวันหนึ่งไหมที่เขาไม่คิดออกจากคุก แต่ทําไมเราเรียนถครับขนาดนี้ทำไมไม่คิดออกอย่างเดาคุยโมคลื่นใจใจอะไรมันฝังแน่นในกมลสันดานอะไรมันฝังแน่นในใจใครมันทําให้เราไม่คิดโมหะใช่ไหมตัณหาใช่ไหมอวิชชาเป็นต้นใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นเพราะอะไรทําไมไม่วิจัยทําไมไม่พิจารณาไม่ทําไมไม่แยกแยกแะเราติดอะไรนี่เราไม่แยกไปพิจารณาเลยที่กลับไปดูที ทำไมเราไปติดอะไรเราไปเพลิดเพลินอะไรเราไปหลงอะไรเนี่ยเราไปนั่งจ้องพิจารณาให้ควรแยกแยะอยู่ที่ว่าอะไรกันแน่ที่เราหลงอยู่เราติดอยู่เรายึดอยู่เนี่ยนะก็ไปไข้ควรไปพิจารณาจริงไหมมันต้องวิจัยที่เราจะนับถือพระเจ้าตรงนี้เรามีศรัทธาเป็นเพื่อนศรัทธาพระเจ้าพระเจ้าสอนอะไรพระเจ้ามีพระประสงค์ยังไง ทำไมพระเจ้าจึงพยายามกระตุ้นเตือนในสัากโลกนั้นบอกว่าเพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายเพียงพอแล้วที่จะคลายกำนังคือคำสอนแค่เนี้ยเธอวิจัยไปเถอะโทษที่ไม่คิดตามไม่วิจัยตามเธอถึงไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำนัดใช่ไมหมคะมันพอใช่ไหมคำสอนเนี่ยพอต่อการจะไข้ควร <c oughs> ไม่ต้องไปไข้ควรนอกคำสอนหรอกเอาในคำสอนเนี่ยเธอไข้ควรไปเถอะแล้วเธอไปรู้แน่ แต่ทำไมไม่่อยครวรใครไปบังตาบังใจเธออยู่เนี่ยเอาใครไปดางตาบังใจใครห้ามไม่ให้คิดประทับอ่ะอาวิชามันก็เป็นขันขันหนึ่งใช่ไ้ยในบรรดาขันทั้งหลายถามมาแล้วทำไมไม่จัดการกันใช่ไหมก็ไม่ใจ เอาแต่ตอนนี้รู้แล้วเราจะไปตามหลักยังไงใช่ไหมใช่ไหมบอกว่าถามาว่าใครจะไม่ไปห้ามให้เราไม่คิดออกจากวัดตากันทุกวันเนี่ยทั้งๆที่เราฟังว่าธรรมเนี่ยมันต้องกระตือรือร้นในการที่จะเดินออกจากสงสารเราว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะเป็นสาตว์ที่ยินดีในวัดต่าเนี้ยเรถามว่าที่นั่งกันอยู่เนี่ยใครคือสารณะไม่มีสักคนเลยเนี่ยทิดงทากันอยู่เนี่ยไม่มีสารณะของเราสักคนเลยนะเนี่ยไม่ใช่ที่เพิ่ม ที่บ้านก็ไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่หรอ ก, อกใช่ไมไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่สะนะชานจะรอะ้ที่บอกว่าเห็นอช น, นาวะโทษเห็นอเนแล้วก็อาสาะเนี่ยมีคูแ่แวอ๋อคืออย่างนี้ใ น, นขณะที่มันให้ความเพลิดเพลินกับเราใช่หมถามว่ามันให้สมมนัดไหมมีไม่สมนัดเวนามีจริงๆริ้ไห ม, มแล้วสัตติ์ติดมนั่นแหละท่านถอนนิคุณของเขา ก็ใช่ไงคือไม่ใช่ว่าไม่มีคุณมีแต่คุณนั้นน่ะอันนั้นมองในงแง่ของอัศา์ท่าใช่ไหมคือสมณะเววนาในเช่นว่าเอายกตัวอย่างเช่นว่าเราฟังธรรมเนี่ยเกิดจุกใจอ่ะนั่นแหละคุณเนี่ยก็ให้แค่นั้นแหละแต่ลองไปติดเข้าเมาื่อไร่สิแม้สุขในการฟังธรรมท่านก็ไม่ก็สอนในล ะ, อะเอาสิ ท่านก็สอนเหยลาท่านให้ทําฉันทัาค่าในการเหยื่อละในสิ่งนั้นด้วยเพราะสุขเวทนาในการฟังธรรมก็ไม่เทียมเอาสิมีความแปรปวนเป็นธรรมดาทีแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนด้วยเอาสิถ้าท่านสอนเพียงวิจัยขนาดนั้นเนี่ยเพราะในขนาดถ้าเราไปติดนะไปติดในการฟังธรรมอยู่อย่างเดียวก็มีน้อมในการที่จะพ้นทุกมันก็ติดอยู่แค่ตรงเนี้แต่ว่าสุขเวทนาเหล่าเนี้ยควรพอกพูนก่อนใช่ไหม เพราะมันมีสกเวทนาสองส่วนไอ้ส่วนหนึ่งก็ส่วนที่เป็นไปกับตัณหาเนะี่ยควรละโดยส่วนเดียวเนี่ยนะแต่ส่วนที่เป็นไปกับการทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเนี่ยต้องเดินไปก่อนเพราะพ่อมุอสกาสามทีนี้สิกขาสามที่เป็นโลกิยาเนี่ยต้องทําให้มีขึ้นในกระแสขันแต่ในขณะเดียวกันก็น้อมนิสนาวิเวกเป็นอัจฉริยะไว้เป็นอนุสัยทุกครัง้ง เป็นอัตยาศัยทุกครั้งไม่ไม่ใช่เป็นอนุสัยนะเป็นอัจฉาิยะเป็นอัธายธาศัยทุกครั้งก็หมายความว่าตั้งอัธยาศัยในการที่จะพ้นทุกตลอดพ้าแมีนิตสารณาวิเวทมีพระนิพพานเป็นอัธาายาศัยทุกครั้งคือคิดจะออกจากวาตาว่างั้นเถอะบอกตาหูจมูกเล่นกายใจเราจะสายอยู่แค่นิดหน่อยแค่นี้ยเพื่อมาทําเมื่อเพื่อมาเจริญกุศละนะแต่ในส่วนจริงเราจะไม่อยู่กับมันเราจะต้องวิจัยแล้วก็จะต้อง วิจัยจนทะลุทะลวงแล้วก็ละนี้ได้แล้วก็จะน้อมในการทนนี่จะมิสานะเวทจากการน้อมบ่อยๆในส่นจริงเราจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ในขณนะมรรคจิตนะมันเชื่อมต่อไปอย่างนี้เป็นเป็นอธิยาไัยแบบนี้ไม่ใช่มไม่เคยคิดถึงนิพพานเลยอยู่ยๆเราหัวนิพพานเข้ามากับความบันเลยโอ้โหบรบรลุกันหมดเลยเนี่ยไม่ใช่เลยเอางี้คนที่เป็นสาวกเนี่ยเขาคิดจะบรรลุมาตั้งเป็นแสนกับ ถ้าใหญ่ป่ะขนาดสาวกนี่นะเขาเขาคิดจะบรรลุมาแสนกลับกลับหนึ่งก็นี้แหละลึกยอดขุดลงไปกว้างยอดยาวยอดร้อยปีก็เมล็ดงาทิ้งไปสักเม็ดนึงร้อยปีก็เมล็ดงาทิ้งไปเม็ดนึงมันนี่เมล็ดงาเต็มหลุมนั้นนะ่ะอันนี้ยังยังน้อยกว่ายอดเองยังน้อยกว่ากับ ก็ลองลดูอันนี้แสงกลับถ้าไม่คิดออกจากวัตฏะมันออกไม่ได้เลยมันต้องเริ่มคิดเร็วๆด้ว ย, ยมันต้องเริ่มคิดเร็วๆด้วยจริงไหมแล้วก็เริ่มตั้งอัตยารัยขึ้นที่นี้การตั้งอัตยาสัยดังที่ได้กล่าวแล้วเราจะตั้งยังไง่ะ ในกรณีที่คฟังทำแต่ละครังก็ตั้งอัตยาสายัยเพราะยังเป็นปัจจัยการพ้นทุกเนี่ยให้ทานแต่ละครงตั้งอัตยาศัยเพราะเป็นปัจจัยการพ้นทุกจเจริญกุศลทุกเรื่องเนี่ยตั้งอัตยาศัยเพื่อเป็นไปแก่การพ้นทุ ก, นกวนวเนี่ยตึกบ่อยๆใค่กวนบ่อยๆเนี้ยอัตยาศัยมันถึงจะแรงถ้ามีคิดอย่างเงี้ยหมดสิบแล้วเอาวันหนึ่งคิดฮะ <c oughs> อ๋อก็เพิงไปดูนี่แสงกลับท่านคิดมาแล้วแสงกลับท่านคิดมาแล้วแสงกลับอันนี้เป็นกลับสุดท้ายนี่เป็นชาติสุดท้ายคือปัญหาอยู่ตรงไหนรู้ไหปัญหาอยู่ตรงที่บอกว่า ปัญหาอยู่ตรงที่บอกว่าบางครั้งเราไม่เคยคิดเลยในจต่ในปัจจุบ <AST chaotic> ันนี้พอไม่คิดก็เรียบร้อยจริงไหมโอนทำไมแล้วไม่เคยคิดเลยเก็จากจจะเรียนฟังทำก็ไปเพิ่นๆหน่อยถึงวลาจะกลับอือตายไปจบเลยจะที่งานนี้จบแล้วใช่ไหมพอบรรยากาศนี้จบปุ๊บเรื่องวัตถุกรรมก็จะไหลมาเต็มลืมไปเลยเพราะแต่ก้าวแต่ก้าวก็เหมือนจะแวบๆเป็นไปหน่อยอย่างเง แล้วก็ปิดสนิทอีกนานๆก็เปิดแล้วเราก็ดูมิตรที่เราครบสิมีใครเป่ารือความเปลี่ยนสด้กี่คนเขาลอยครบฮะบันดิตเข้าใกล้บันดิตเข้พ ร, ระพุทธเจ้าเข้าใกล้พระพุทธเจ้าที่เราดูทีนั้นสิ่งแวดล้อมเลยดูมีใครบังคุยบ้างไหมเจอหน้าพรบแล้วก็ถามเราเรื่องอะไคุณเจริญสติปัฏฐานข่อนี้ถามไหมไม่มีเลยยังไง คื อ, อ, ค, อคือปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าคือใหม่ๆนี่นะมันทำเรื่อยๆหรือเปล่ามันใหม่ๆเนี่ย เ, เราเพราพยายามนี่นะเราดูเหมือนว่าเราจะศรัทธาเราน้อยอะ่ะบางคนเนี่ยไปคิดว่าตเัเองมีศรัทธามากามาใช้คาว่ามาไม่เคยเจอคนศรัทธาจริงๆทุกทีเลยเนี้ยแต่ก็มีนะคนที่เขาศรัทธาแรงๆอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าแบบนๆเราจะเห็นได้ลายอะ่ะได้มาก อย่างเรานี่ยนะถ้าไปเจออะไรมากระทบกระทั่งนิดเดียวไปได้วไม่มาตรงที่เนี่ยเอาเดินขึ้นมามีคนด่าเอาแค่เดินเนี่ยถูกด่าด้านหน้าด้าหน้านี้ไม่มาแล้วตั้งแต่นั้นไม่ไปแล้วมีคนด่าด้าหน้าประตูหรือใครก็ไม่รู้หรือมีคนพูดให้น้อยใจนิดเดียวแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละไอที่จะไปฝ้าพุทธยาวยังไม่กล้าแล้วนี่ไงเรามันมีมัน่นคง เราไม่มั่นคงกันเลยเราพร้อมที่จะทิ้งพระเจ้าทุกเวลาในที่เจอเหตุการณ์ที่เราไม่ถูกใจแล้วมันอะไรเกิดขึ้นอยู่แค่นี้เราก็จะรู้ถ้ามาฟังทำถ้าได้เรื่องที่ไม่ถูกใจสักนิดหนึ่งไปแล้วไม่มีความมั่นคงนอะไรเลยนะ่นนากลัวจริงๆนะวันเมื่อ อ, อาทิตย์ติดแล้วยช่มันไอ้มาก็เคยพูดเมื่อวันจันนี้แล้วมาก็ไปพูดที่นั้นพู ด, พ, ดพูดบ่อยครั้งเลยไอ้มาว่า อามาเนี่ยรู้จักกับพระหลายลงคที่ท่านอยากจะประกาศพระธรรมเนี่ยแต่ท่านไม่ค่อยอยากมาประกาศแล้วท่านท่านท่านชำนาญในคำสอนเนี่ยที่รู้จักกันอยู่หลายองค์เนี่ยท่านบอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกผมลองทําท่าไปไปไปดูแล้วไปแล้วเนี่ยทําให้ผมเสียเลยศรัทธาที่ผมมีอยู่ดีๆเพราะกลุ่มถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มที่เขาไม่มีศรัทธากลุ่มที่ไม่มีความเพียรกลุ่มที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ย เขาไม่ได้ศรัทธาพระอาจารย์เหอนเราเลยท่านอาจารย์เพราว่าเหมือนนอาจารย์ลงลงลองไปเกลือบกลั้สักพักศรัทธาแล้วจะตกเอาเพราะว่าโอ้โหมันน่ากลัวจริงนะว่างั้นนะมันน่ากลัวเพราะว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อุปนิสัยปะจะใจอ่ะคือคนที่คือคราวญเขาไปเขหนักแน่นในกาลมาคุณเนี่ยเราเราก็ยังหวั่นไหวอ ย, อยู่เราก็เพิ่งจะหลุดออกมาได้ไม่นานอย่างงี้ยท่านยังไม่กล้าที่ออกมาหรอก ถ้าอยู่ในแวดวงของท่านหท่านมีความสุขแล้วก็ท่านก็เล่งกันไขคค้ควรกันบางทีเนี่ยขนาดญาติญาติของท่านมันก็จำใจใช่มหมอยองพ่อยอมแม่มาหาถึงที่งทีท่านก็โทรมาฮะบอกโอ้โหผมจะหนีอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์เ็นโยมพ่อยอมแม่มไม่ได้ทำไง